ลักษณะรอยเท้าบอกจริตรอยเท้าเป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งในการสังเกตจริตของคนถึงเราจะไม่เห็นตัวเห็นแต่รอยก็พอทำไ ด, ได้แต่จะให้แน่ชัดจริงๆต้องเป็นรอยเท้าเปล่าบนพื้นทรายละเอียดที่ชุ่มน้ำนิดหน่อยและเป็นรอยที่เดินตามปกติตามสถานที่ตากอากาศบางแห่งดูได้ชัดดีแต่น่าเสียดายคนเดินชายทะเลเป็นคนเดินเล่นเสียมาก เดินไปคุยกันไปและชอบปิกแพลงวิธีวางเท้าให้สนุกสนุกทำให้การทำนายจริตคลาดเคลื่อนง่ายแต่ก็ไม่ใช่จะเหลวไหลเอาทีเดียวเมื่อเดือนเมษาศกนี้2498ัร24ข้าพเจ้าไปร่วมชุมนุมครูที่วิทยาลัยบางแสนอยู่ที่บางแสนเกือบสองสัปดาห์ได้มีเวลาสนุกกับการทดลองพิจารณารอยเท้าของพวกครู ที่ไปชุมนุมมากเป็นพิเศษและได้ผลเป็นที่พอใจคือท้ายถูกประมาณ 70% เซตความจริงหลักพยากรณ์จริต จ, จากรอยเท้ามีใช้มนานานแล้วเข้าใจว่าพวกพรามคงจะใช้กันมาก่อนพุทธกาลจนถึงพระอัตกฐถานจารประพันธ์ไว้ในมาคันธีสูตรว่ารัตตะหิอุกติกังประดังพระเวคนราคะรอยเท้าระยค ดุษะโหติสหสานุปิลิตังคนโทสะรอยเท้าจิกปลายมุนหัสะโหติอวกกัตทิตังประดังคนโมหะจิกทั้งปลายทั้งส้นในคำพีวิสุทธิมักตำรับใหญ่แห่งจริศาสตร์ก็คงยึดหลักนี้แต่อธิบายเพิ่มเติมบ้างเมื่อผนวกรวมกันทุกแง่ทุกบุมแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้ ภาพรอยเท้าคนราคาจริตข้อสังเกต 1. รอยเท้าวางลงเสมอว่าแหว่งเป็นเหงระหว่างเท้าเบา 2. ส้นเท้าบีบคอดลงไปบ้าง 3. ไม่สู้มีมูลดินกระจุยกระจายรอบๆรอยเท้ารอยเท้าคนโทสจริตข้อสังเกตดินถูกขุดลงทางปลายเท้าลึกมาก 2. มีมูลดินกระจายมาทางส้นเท้ามากรอยเท้าคนโมหจริตก็อสังเกตรอยเท้าจิกทั้งปลายทั้งส้น 2. เส้นรอยเท้าที่ตัดกับพื้นดินเลอะเลือนเพราะคนโมหจริตเวลาวางเท้าเท้าสั่นกระรัวขอการยืนการนั่งคนราคาจริตเลือกที่ยืนที่นั่งซึ่งเป็นที่ราบเรียบ ชอบการคลุกคลีกับหมู่ในการนั่งพักตามลำพังของคนหมู่มากเช่นทหารหรือนักเรียน50บคนร้อยคนเดินทางไปไหนไปไหนด้วยกันพอถึงทาเลเหมาะๆเช่นทุ่งชายป่าที่ทุกๆคนสามารถจะนั่งพักได้ตามสะดวกลองสั่งให้นั่งพักผ่อนตามลำพังพอคนทั้งหมดกระจายกันออกแล้วจะปรากฏว่า คนเหล่านั้นนั่งกันย่อมๆก็มีนั่งอยู่คนเดียวหันหน้าหนีจากหมู่ไปก็มีในที่นี้เช่นถ้าจะค้นหาคนราคะจริตก็ต้องหาในคนที่นั่งเป็นกลุ่มเพราะคนราคะจริตชอบการคลุกคลีกับหมู่การร่วมอยู่ในกลุ่มก็อยู่เป็นฐานะเป็นลูกพักและมักจะเลือกนั่งหรือยืนทางด้านเหนือลมทางที่มีแสงสว่าง และทางที่เขาจะทอดสายตาได้ไกลพอสมควรอาการที่ยืนและนั่งนั้นดูละมุนละม่อมน่ารักแข่ทั้งสองมักจะปล่อยลงตามตัวในกรณีถูกซักถามหรือเขาจะต้องใช้ความพยายามทางกำลังใจเป็นพิเศษประสาททางปลายนิ้วจะเกรงนิดหน่อยจะสังเกตได้ว่าเขามีการกลมมือและบีบหรือหักนิ้วสาวๆชอบบิดผ้าเช็นหน้า คนโทสะจริตยืนหรือนั่งมีอาการกระด้างอยู่ในตัวเท้าทั้งสองห่างกันนิดหน่อยชอบใช้มือไพล่หลังค้ำเสีเอวหรือรัดอกถ้าเป็นการยืนรวมกลุ่มคนโทสะจริตจะขยับตัวไปไปมามาเสมอดูเหมือนกระวนกระวายที่ยืนที่นั่งไม่ค่อยเลือกก้าวเท้าไปตกจังหวะยืนที่ไหนก็ยืนได้จะครุขระหรือเปลือเปื้อนบ้าง ก็ไม่ถือสาแต่ขอให้เป็นที่ที่มีทำเลพอที่จะวางท่าเบ่งหน่อยก็พอในการนั่งรวมกลุ่มตามลำพังคนโทสัจจริตจะเป็นผู้นำของกลุ่มคือหาเรื่องมาคุยทำให้คนในกลุ่มหันมาสนใจในตนมิฉะนั้นก็ตั้งตัวเป็นฝ่ายค้านคอยขัดข้อคนอื่นคนโมหจริตยืนหรือนั่งมีอาการบงซเซ่แสดงท่าเหม่อ เมื่อรวมกลุ่มตามลำพังขาดการปรับปรุงตัวเองบางทีนั่งถูกที่แสงตะวันแยงตาก็นั่งอยู่ได้บางทีนั่งคาบเส้นคือตัวอยู่ในร่มครึ่งหนึ่งถูกแดดเผาอีกครึ่งหนึ่งก็นั่งอยู่ได้ไม่ใช่เรื่องความอดทนแต่เนื่องจากขาดความนึกคิดที่จะปรับปรุงตัวเองตกอยู่ในวงคุยก็มักจะเป็นผู้ที่ถูกคนอื่นล้อเลียนอย่างสนุก ทั้งทงที่รำคาญก็ไม่ลุกหนีเสียอีกคอการนอนการนอนเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถจะทายจริตของคนได้แม่นยามากโดยสังเกตการเตรียมตัวก่อนนอนการจัดที่นอนอาการกำลังนอนหลับและการตื่นนอนจริตของคนมักจะถ่ายลงไว้บนที่นอนทุกคนทั้งนี้เห็นจะเนื่องจากว่า การอยู่ตลอดวันหนึ่งของคนคนหนึ่งที่เป็นอิสระที่สุดก็คือเวลานอนจริตของคนจะแสดงออกเต็มที่ขณะที่เขาอยู่ตามลำพังเช่นนั้นคนราคะ จ, จริตแม้จะง่วงเท่าไหร่ก็จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนนอนเสมอจัดที่นอนให้เรียบร้อยสมกับฐานะคือแม้จะเป็นคนยากจนก็ปูลาดเครื่องนอนเรียบร้อยแล้วนั่งลงบนที่นอนหันหลังไปทางหมอน เหยีท้าทั้งสองไปทางตรงกันข้ามพลางมือก็จัดชุดเครื่องแต่งตัวนอนหรือไม่ก็ดึงผ้าปูที่นอนซึ่งแม้จะตึงเรียบร้อยอยู่แล้วก็ยังทําทีจัดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งตามจริตเสร็จแล้วก็ค่อยเอ็นตัวลงนอนตามปกติของเขานอนตะแคงซ้ายหรือขวาแม้ว่าตอนแรกจะนอนในท่าใดก็ตามแต่พอจิตจะเข้าผวังก่อนหลับ เขาก็จะพลิกไปอยู่ในท่าตะแคงและเราจะเห็นว่าอวัยวะมือเท้าวางอยู่ตามที่เรียบร้อยริมฝีปากและหนังตาปิดทับกันเบาๆทำทีจะเผย อ, อยู่เสมอเวลาถูกปลุกให้ตื่นก็ปราศจากการตื่นเต้นค่อยๆพลิกตัวค่อยๆลืมตาให้คำตอบช้าและเบาเหมือนกับไม่พอใจในเวลากลางวัน คือตอนที่ทุกคนผละจากที่นอนแล้วถ้าเราไปตรวจดูที่นอนในวงเล็บซึ่งไม่มีเจ้าของอยู่เราจะเห็นว่ามีที่นอนบางเจ้าของเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบและมีความหมายทั้งสิน้นไม่ว่าจะเก็บม้วนไว้หรือปูลาดไว้ก็ตามถ้าจะดูกันให้สนุกต้องดูที่นอนที่คนนอนเรียงกันมากมากและทุกคนถูกปล่อยอิสระในการที่ จัดนอนของตัวเองเช่นในที่พักแรมรวมกันคนโทศัจจริตมีปกติรีบร้อนในการเข้านอนมักจะคิดว่ายังไงยังไงก็ได้เรื่องปูลาดที่นอนเรียบร้อยไม่เรียบร้อยถือว่าเป็นเรื่องเล็กปะเหมาะก็ผ้าของม้าฟาดผัวผะซ้ายขว า, ขวาก็ใช้ได้ดึงมุ้งที่ม้วนไว้ไม่ใช้พับไว้ซึ่ง ค่อนข้างจะเป็นสีกาแฟอ่อนๆออกมาโยนทางโน้นทางนี้จะได้ฉากหรือมุมหรือไม่ไม่สำคัญโยนทางโน้นนิดย่อนทางนี้หน่อยช่างมันจัดที่นอนอย่างลูกๆกแล้วทิ้งตัวลงนอนอย่างรีบร้อนอย่างกับไม่ได้นอนมาแล้วสักสามคืนการนอนของคนโทสะจิดถ้าเตียงใหญ่เขาจะนั่งที่ริมเตียงหมายความว่าเดินไปถึงเตียงก็หันหลังเข้าหาเตียง ทิ้งตัวลงนั่งดังอึกเสร็จแล้วก็เวียงตัวลงนอนตรงนั้นแหละตรงริมเตียงนั้นแล้วก็เวียงเท้าตามขึ้นไปต่อจากนั้นจึงกลิ้งตัวหรือกระเถิบต่อไปหาที่นอนในวงเล็บตรงกันข้ามกับคนราคะจริตที่ใช้วิธีคลานขึ้นไปนั่งให้ตรงที่นอนก่อนแล้วจึงค่อยนอนลงถ้าเราดูคนที่หลับแล้วก็หมายความว่าเราไม่ทันเห็นตอนเข้านอน จะมีที่สังเกตหลายอย่างและทายจริตได้ถูกต้องแม่นยำดีมากมุ้งที่กลางไว้เสียทรงหมดถ้าไม่เป็นรูปขนมเปียกปูนก็เป็นรูปตลกตลกดูไม่ออกบางทีมุ้งเขาสี่หูเกี่ยวไว้เพียงสามหูก็มีเชือกมุ้งมีรอยต่อไม่รู้กี่ปมกี่ปมเชือกที่ต่อไว้ก็ไม่รู้กี่ชนิดเศษผ้าบ้างปอบ้างยางสติ็กบ้าง เอาเข็มขัดโยนต่อกก็มีเอาเส้นตอกโยงต่อก็มีและโดยเหตุนี้เขามักจะต้องรําคาญใจเพราะสายมุ้งขาดทุกคืนบางทีทั้งๆั ท, งที่ขาดเขาก็ปล่อยตามเรื่องไม่เสียเวลาลุกขึ้นมาผูกใหม่หนักเข้าเลยเอามุ้งห่อตัวกลิ้งโคโลโอเป็นผีตราสังก็ได้คงจะเคยเห็นทุกคนอาการของคนโทสะจริตขณะหลับ อวัยวะมือเท้าไม่สู้เรียบร้อยชอบนอนหงายและแทบทุกคนนอนกรนบางคนกรนดังมากและกรนพิสดารต่างต่างสลับเสียงต่ำเสียงสูงโครกครึกครอกรอกครอกและทำนองอื่นๆอีกหลายทำนองเมื่อถูกปลุกจะตื่นเร็วเอะอมีกิริยาตกใจและติดดุนิ ด, น ด, นดรีบลุกจากที่นอนและไม่ห่วงใยเหลียวแลว่า ที่นอนหมอนมุ้งจะอยู่ในสภาพอย่างไรและผลที่สุดเราก็ได้ดูจริตจากที่นอนเปล่าของเขาได้อีกอย่างสบายเหมือนกันคนโมหะจริตจัดที่นอนไม่เรียบร้อยเหมือนกับคนโทสะจริตแต่ลักษณะของความไม่เรียบร้อยต่างกันคนโทสะจริตที่จัดไม่เรียบร้อยเพราะความรีบร้อนแต่คนโมหจริตไม่เรียบร้อยเพราะทาไม่เป็นหรือเพราะความไม่รอบคอบ ในการปูที่นอนคนโทสัจริตอาจเพียงเอาผ้าปูที่นอนคลุมลงบนเตียงเฉยๆไม่ได้เนบชายผ้าให้ตึงหรือเนบอย่างรุกๆรอบทุกด้านแต่คนโมหะจริตอาจเนบเป็นบางส่วนบางมุมบางส่วนไม่ได้เนบคือทำํทำๆเว้นๆสอให้เห็นว่าอยากทําเหมือนกันแต่ทําไม่รอบคอบเพราะเป็นคนอยู่ในอาการเครื่องหลับเครื่องตื่นดังกล่าวแล้ว อาการนอนขณะหลับอวัยวะต่างๆขวางเปะปะไม่เป็นท่าเท่าที่สังเกตดูมักจะนอนกัดฟันและมีเสียงคลางขึ้นมาจากลำคอเป็นคราวๆส่วนมากมักจะนอนคว่าหน้าคือการนอนของคนเป็นอิริยาบถ ท, ที่สบายที่สุดในชั่วระยะเหนึ่งวันหรือจะว่าสบายที่สุดในชีวิตก็ได้ทีนี้คนเรามันมีท่าอยู่ ที่สบายจริงๆไม่เหมือนกันคนราคาจริตศีรษะต้องอยู่ในท่าตะแคงจึงจะสบายแท้คนโทสะจริตต้องให้ไททอยไปอยู่ข้างหลังส่วนหน้าผากหรือมันสมองด้านหน้าปล่อยลอยอยู่บนก็คือลักษณะนอนหงายนั่นเองส่วนคนโมหะจริตต้องคว่ำหน้าลงประสาทต่างๆจึงจะคลายตัวมีความสบายอาการตะแคง ไงความเหล่านี้มักจะเปลี่ยนแปลงตอนก่อนที่จิตจะเข้าผวางคือหลับคืออย่างนี้จิตของคนเราสั่งงานสั่งการมาตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งเย็นคำ่ำเวลานอนร่างกายเหยียดอยู่บนที่นอนแล้วตาหลับแล้วจิตจะคิดกํเนึงอะไรอะไรอยู่พักหนึ่งเช่นคิดถึงเมื่อกลางวันที่ผ่านมา คิดถึงเรื่องหนังที่ไปดูมาหรือคิดคืบหน้าว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นพอสมควรแล้วก็เข้าสู่ผวังเพลียเต็มทีระยะตอนนี้จะมีความคิดสับสนขึ้นในจิตเรื่องที่คิดอยู่เดิมขาดเป็นห้วงๆถีเข้าถีเข้าอาการตอนนี้เรียกว่าเคลิม้มแล้วจิตจะมีการสั่งงานครั้งสุดท้ายอีกแบบหนึ่งคือสั่งร่างกายให้พลิกเข้าหาที่ สบายที่สุดแแคงหงายควา่าตามแต่จริตของจิตเราจะสังเกตได้ว่าก่อนคนจะหลับจริงๆเขาจะขยับตัวทีสองทีก่อนบางทีก็เปลี่ยนท่านอนทั้งตัวเลยบางทีก็ขยับเฉพาะส่วนศรีรษะเพราะว่าตอนเริ่มนอนนั้นเขาอาจดัดจริตนอนในท่าอื่นเอาไว้ซึ่งความจริงไม่ใช่ท่าที่สบายของตนจริงๆ ก่อนหลับจิตจึงสั่งให้จัดเสหม่และที่ว่านอนตะแคงนอนคว่าและนอนหงายนั้นให้สังเกตส่วนศรีรษะเป็นสำคัญคนที่ว่านอนคว่านั้นลำตัวอาจหงายก็ได้แต่ส่วนศรีรษะจะบิดหน้าลงไปข้างล่างไม่มากก็น้อยและเพราะค่าที่เขานอนควา่าเวลาตื่นนอนจึงรู้สึกมึนงงหนักและชาใบหน้าหลังตาในตาราจึงให้ที่ สังเกตเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งว่าถ้าถูกปลุกให้ตื่นจะมีเสียงอื้ออ้าบิดขี้เกียจและลุกช้าขี้เศราส่วนมากพอแรกตื่นจะเอามือขยี้ตาเหมือนเด็กเด็กสองสังเกตจากการทำงานการงานเป็นแหล่งใหญ่ในการศึกษาและสังเกตจิติของคนคำว่าการทำงานนั้นหมายถึงการทำงานทุกอย่าง ตั้งแต่ล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำเช็ดตัวหวีผมผัดหน้าทาปากและอื่นๆจนกระทั่งการขีดการเขียนเย็บปักถักร้อยรวมหมดเบ็ดเสร็จแต่ทั้งนี้หมายเฉพาะที่ทําเองจริงๆมีคนอยู่เป็นอันมากที่บอกว่าตัวทํางานแต่ความจริงไม่ได้ทําเป็นของคนอื่นทำเช่นพู้เป็นหัวหน้า ง, งานประสงค์จะโต้ตอบหนังสือก็สั่งให้เสมียงร่างและพิมพ์ เสร็จแล้วตนก็เป็นคนเซ็นชื่อถ้าว่ากันตามภาษางานแล้วหนังสือทั้นทั้งฉบับเป็นงานของท่านผู้ลงนามนี่ว่าตามภาษางานแต่ว่าอย่างนักศึกษาจริตงานที่เป็นของหัวหน้ามีเฉพาะตรงลายเซ็นเท่านั้นยาวไม่ถึงองคุลีส่วนข้อความอื่นๆทั้งตั้งศอกตั้งวาเสมียนเป็นคนทำต้องว่ากันอย่างนี้จึงจะถูกเดี๋ยวนี้มีอยู่แยะ เรื่องบางอย่างเสมียนกับเสมียนระหว่างกระทรวงโต้กันเองที่ว่าสังเกตจริต จ, จากการงานนั้นหมายถึงงานที่ผู้นั้นทำจริงๆไม่ใช่งานคนอื่นทำให้ในตำราท่านให้ตัวอย่างไว้ยอย่างเดียวคืองานกวาดบ้านเห็นจะเป็นที่ว่าสมัยนั้นถือว่างานกวาดบ้านเป็นงานสำคัญกระมังหรือบางทีอาจเนื่องจากกิจวัตรของพระ ถือว่าการปัดกวาดเป็นกิจที่พระทุกรูปต้องทำจะอ้างว่ามีคนทำให้แล้วตนเพิกเฉยเสียไม่ได้แล้วทีนี้ท่านผู้แต่งคำพีก็เป็นพระอยู่ด้วยเลยยกเอาเรื่องปัดกวาดมาแสดงเป็นตัวอย่างเสียเลยอย่างนี้ก็เป็นไปได้แต่ของท่านก็กินความกว้างอยู่เหมือนกันคือท่านนับเอางานปูลาดอาสนะรวมเข้าในงานปัดกวาดด้วย ข้าพเจ้าจะแสดงอย่างกว้างๆรวมกันไปคนราคะจริตเวลาจับไม้กวาดจะค่อนมาสุดปลายด้ามค่อยๆจับกวาดอย่างไม่รียบร้อนค่อยๆกวาดกวาดเตียนดีละเหยียดละอเวลาจะกวาดนั้นถ้าต้องรื้อเสือรื้อพรมออกก่อนก็กวาดเสร็จแล้วก็นำกลับเข้ามาปูไว้เรียบร้อยคนโทสะจริตกําไม้กวาดแน่น อย่าง น, นักรบกำด้ามดาบเข้าฝันกับข้าศึกเวลากำด้ามไม้กวาดก็ชิดเข้าไปทางโคนคือใกล้ๆดอกหญ้าที่ใช้กวาดกวาดอย่างเรียบร้อยทำเสียงโครมครามตีทางโน้นฟาดทางนี้พระพื่วพั่ ว, พ ล, วพลาดท่ากระโวนและแก้วน้ำในห้องนั้นอาจเคราะหร้ายไปด้วยก็ได้เวลากวาดขี้ฝุ่นฟุง้งแม้กวาดเสร็จแล้วขี้ฝุ่นก็ไม่หมด ถ้าจะพูดอีกทีคนโทสะจริตไม่ชอบกวาดบ้านคนโมหจริตจับไม้กวาดล้มๆทำๆหยุดๆไม่ถี่ท้วนบางทีงานที่ทำจะต้องกวาดพื้นด้วยกวาดเพดานด้วยถ้าเป็นคนอื่นจะต้องกวาดพดานก่อนแล้วจึงกวาดพื้นทีหลังจะได้เสร็จหนเดียวแต่คนโมหจริตไม่แน่นักอาจกวาดพื้นก่อนแล้วกวาดพดานทีหลังเสร็จแล้วจึงลงมากวาดพื้นอีกทีก็ได้ ที่เริ่มกวาดพื้นห้องก็ไม่เป็นเรื่องธรรมเนียมกวาดของคนทั่วไปเขาจะกวาดห้องต้องเริ่มจากกวาดจากมุมที่ไกลประตูที่สุดแล้วก็ต้อนขี้ผง ม, มาออกประตูหรือกวาดทางเหนือลมไปหาใต้ลมแต่คนโมหจริตอาจเริ่มกวาดตรงประตูก่อนเสร็จแล้วจึงไปต้อนขี้ผงตรงมุมในห้องทางประตูอีกก็ได้หรืออาจเล่นเอาเถิด กระฝุ่นผงจากใต้ลมไปเหนือลมก็ได้บางทีก็กวาดโน่นนิดกวาดนี่หน่อยก็ได้พูดง่ายๆคือทำงานไม่เป็นไม่มีปฏิพานถ้าเราไปทีหลังละ่ะอย่างเช่นเจ้าของถิ่นเขาจัดห้องรับรองแล้วเราไปถึงเมื่อคนกวาดหนีไปไหนไปไหนแล้วเราอยากรู้ว่าคนที่กวาดห้องให้ให้เราเป็นคนจริตอะไรก็ลองนั่งยองๆแล้วก้มลงดูพื้นห้องแบบ ก้มลงมองตัดกับแสงสว่างถ้าเห็นฝุ่นผงคงอยู่เป็นหย่อมๆก็พึงรู้ว่าคนกว่าเป็นคนโมหจริตที่ว่าฝุ่นผงอยู่เป็นหย่อมๆนี้หมายความว่าที่ตรงนั้นไม่ได้รับการแตะต้องเลยเพราะคนโมหจริตนั้นเวลากวาดเขาได้ยกไม่กวาดข้ามไปเป็นตอนๆเว้นเป็นหย่อมๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นฝุ่นผงตรงที่เขาข้ามไปนั้น จะยังคงรูปอยู่ตามเดิมต่างจากผลการกวาดของคนโทสัจจริตซึ่งแม้จะกวาดแล้วก็ยังมีฝุ่นผงแต่มีประปรายทั่วไปเพราะแกตีไม่กวาดแรงจนฝุ่นที่กวาดแล้วนั้นฟุ้งขึ้นไปแล้วก็ตกมารกพื้นอีกที่ว่ามานันนี้ขยายความออกจากตำรามีเรื่องกวาดบ้านเรื่องเดียวว่าเรื่องตำราก่อน ตอนพนวกจะเสนอผลการทดสอบของข้าพเจ้าเกี่ยวกับงานของคนต่างจริตเท่าที่พอจะจับปฏิ ป, ปตอให้เป็นเรื่องเป็นราวได้สรุปว่าคนราคะจริตทำงานละเอียดละอ่อนน่าดูน่าชมทำได้เรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลายคนโทสะจริตทำงานเร็วขึงขังไม่ย่อท้อคนโมหจริตทำงานไม่ละเอียดข้างค้างไม่สม่าเสมอ และไม่ค่อยสำเร็จสังเกตการกินนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พอจะเอาปูนกาหน้าได้ว่าใครจริตอะไรแต่ก็อย่าลืมสูตรเดิมที่ว่าต้องดูเวลาปกติของเขาเวลาดูที่ผู้กินเขามีอิสระแก่ตัวเต็มที่เช่นที่บ้านส่วนตัวอย่าไปดูเวลารับประทานเลี้ยงณนะธรรมเนียบรัฐบาลถึงดูก็ไม่รู้ แล้วก็อย่าดูเวลาเมาไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันข้าพเจ้าคิดว่าท่านที่มีหน้าที่ที่จัดอาหารรับรองเช่นนายทหารพลธิการหรือแม่ครัวที่เอาใจใส่คุณผู้ชายนายผู้หญิงหรือแม้แต่ท่านสุภาพสตรีที่หนักใจในการปรุงสเสน่ห์ปลายจวักก็คงจะได้ประโยชน์พอสมควรจากหลักเล็กๆน้อยๆต่อไปนี้คนราคาจริต ชอบอาหารรสไม่จัดอร่อยรสสนิทชอบให้ได้ปรุงรสเองต้องมีพวกน้ำปลาพริกไทยให้ไว้ขอให้ได้หยอดเองนิดเดียวก็เอาทำคำข้าวกลมกล่อมสม่ำเสมอไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปชอบให้มีอาหารแปลกๆมีของถูกปากอย่างเดียวก็พอใจแล้วชอบคุยในเวลารับประทานอาหารถ้ามีคนช่างพูดช่างคุยร่วมวงด้วยจะรู้สึกมีรส เวลารับประทา น, มนเมล็ดข้าวไม่ตกเกลี้ยราดไม่แสดงอาการมูมมามแม้ว่าจะรีบก็ตามรับประทานช้ามากเสร็จแล้วรวบช้อนไว้บนจานเรียบร้อยถ้าเห็นแต่จานที่เขารับประทานอีกแล้วคือไม่มีโอกาสได้ร่วมวงด้วยแต่อยากรู้จริตของผู้รับประทานก็ให้ดูที่จานข้าวที่ถอนออกมาจานของคนราคาจริตจะเกลี้ยงเหมือนคนเช็ดไว้ ถ้ามีข้าวเหลือติดก้นจานก็จะปรากฏว่าผู้ที่กินตล่อมไว้เสียดีเป็นหย่อมหนึ่งต่างหากผิดกับจานของคนโทสัจริตซึ่งเลอะตลอดหน้าพระที่นั่งให้มีอันเปื้อนเรียราาตั้งแต่ขอบจานถึงก้นจานคนโทสัจริตชอบอาหารรสจัดเช่นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดให้มีรสใดรสหนึ่งแหลมเป็นพิเศษหรืออย่างที่เรียกว่าเผ็ดเผ็ดเค็มเค็ม อาหารชอบของหยาบของเหนียวเช่นเนื้อติดเอ็นติดพังผืดติดกระดูกติดก้างให้มีอันได้แทะเองฉีกเองเช่นซี่คโครงหมูทั้งแผ่นไก่ทั้งซี่ปลาแปะซะทั้งตัวเป็นต้นถ้าเป็นผักก็ให้ม้วนเองเสียด้วยอย่างที่ชอบข้าพเจ้าเห็นคนโทสัจจริตหลายต่อหลายคนชอบของสดข่าวจำพวกกุ้งพลายำปลา เนื้อลาบเนื้อก้อยที่ว่าชอบในที่นี้ไม่ใช่เพียงรับประทานได้แต่หมายถึงปลดปรานจริงๆเวลารับประทานอาหารไม่ชอบคุยอยากจะกินกินให้เสร็จเรียบร้อยเอาอิ่มเขาว่าการถูกนวงเหนียวให้คุยในระหว่างอาหารไม่เหมาะแก่คนจริตนี้เขาอิ่มแล้วก็แล้วไปจะมัวมาจุกจิกอ้าปากสิก้าสิก้าประเดี๋ยวพ่อจะมโหสง ไปเลยที่พูดกันว่าเวลากินจะต้องจัดคนเป็นเพื่อนคุยนั้นความจริงไม่ดีเสมอไปคนโทสะจริตนี้กินอย่างเรียบร้อนและบรรจุอาหารเต็มปากกระพุ้งแก้มตุยเคี้ยวเร็วกลืนเร็วเรื่องทำอาหารตกเวลากินดูเหมือนมีทุกมือ้อเมล็ดหนึ่งนิดหนึ่งมีจนได้แม้แต่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ตามเห็นมานักแล้วการจัดโตะอาหาร ให้มีคนโทสะจริตรับประทานร่วมกันล้นล้วนใช้ได้แต่ที่เสียอยู่คือเอาคนราคะจริตคนเดียวไปแทรกอยู่กับพวกคนโทสะจริตเพราะผลจะกลายเป็นว่าคนราคะจริตเพิ่งจะได้สัก4 5ถึงาคำยังไม่ทันครึ่งท้องเลยคนอื่นๆกลับรวบช้อนกันหมดแล้วเป็นการทรมานคนราคะจริตมาก แต่ถ้าคนราคาจริตเป็นผู้ใหญ่หัวโตก็หมดเรื่องพวกนอกนั้นจะรีบไปไหนและตามปกติคนโทสะจริตไม่ชอบกินจุกกินจิกคนโมหจริตชอบรถอาหารไม่แน่นอนเวลารับประทานจะสังเกตได้ว่าทำคำข้าวไม่สม่ำเสมอบางคำเล็กบางคำโตบางทีมีข้าว 2-3 ถึงเม็ดอยู่ในช้อนก็ส่งเข้าปากแปลกแต่จริงปากเลอะ เวลารับประทานอาหารมักจะใจลอยๆวิธีรับประทานน้ำพริกปลาทูคนทั้งหลายเขาต้องผสมตักผักมาคําหนึ่งปลาทูหน่อยหนึ่งวางเคียงกันในจานแล้วก็ตักน้ำพริกนิดหนึ่งหยอดลงตรงกลางแล้วตักเข้าปากพร้อมกับข้าวแต่ท่านผู้โมหจริตอาจคว้าผักต้มอย่างเดียวหรือน้ำพริกอย่างเดียวแล้วส่งเข้าปากไปเลยก็ได้ ว่าเรื่องรถอาหารอีกหน่อยตามธรรมดาคนทั่วไปพอเริ่มรับประทานอาหารก็เริ่มปรุงรสเพราะรู้ว่าอันไหนอ่อนเค็มอ่อนเปรี้ยวแต่คนโมหะจริตอาจรับประทานแกงจืดจืดเกลือบดชามแล้วจึงเติมน้ำปลาก็เป็นได้ก็เรื่องหลับในนั่นเองจบกันทีเรื่องกินก็อย่าลืมว่าคนศรัทธาจริตก็เหมือนคนราคะจริต คนพุทธิจริตก็เหมือนคนโทสะจริตคนวิตกจริตก็เหมือนคนโมหจริตใช้หลักเดียวกัน